ต่างๆกันเนาะแต่นอนนี้โอกาสนี้จะเป็นสัปดาแห่งการทัศน์โลกผู้บอเครื่องของพระพุทธเจ้าเขียนมาทั้งอีกรอบหนึ่งในปีนี้หรือว่าการวิสาขา วันวิสาขาโลกทั่วโลกจงรับวันวิสาขานี่แห่งการบวดขึ้นของพระเจ้าเจ้าพุทธทั่วโลกก็จัดศิลปกลัมต่างส่งเสริมพุทธศาสนา <c oughs> ตามที่ศรัทธาของคนที่ลึกล้อมประเทศไทก็สวกรองจัดที่ กรุงเทพสวดมนต์แปล้านจบอาทิตย์นี้สั ป, ปราหนี้เจ้าคณะกุงเทพมหาคนครจะจดพระมา ส, สวดวันละแปดสิลูกแต่ชาชนก็ไปร่วมสวดน้องเขาถือเขา ไอท่องสนาหลวงโอภาบใ่เกือบเต็มพื้นที่เขาเพียบอันนี้ว่าส่งเสริมการประชาศนกาในเมืองไทยแล้วก็มีทั่วทุกภาคทุกจังหวัดของประเทศไทยจัดกิจกรรมต่างๆแลวทาง วัดป่าชุกโตก็จอดบัวต้นไม้เ่าแสนต้นก็ไปห้ารอยก่อใหคนไทยมาเป็นเจ้าของต้นไม้วัดป่าสุขโตนี่มีป่าไม้ ป่าไม้ที่นี่ขอให้มีเจ้าของห0สิกว่าล้านคนเราก็ไปแสดงตัวเป็นเจ้าของต้นไม้กันเราเป็นลูกเป็นหลานเป็นเพื่อนเป็นมิตรต้นใหญ่ๆก็เป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายก็มีคนประโยชน์ แต่อาหารเกิดขึ้นที่นี่บาเหตุเกิดขึ้นจากป่าญ้าคาป่างพงเพราะต้นไม้นี้จึงมีบุญคนต่อพวกเราคนใดโลกที่เป็นกลุ่มหนึ่งก <c oughs> านที่จะสืบขวันต้นไม้โดยการบวช การบวชนี่ก็คือการคุ้มครองรักษาหัวเราที่เป็นนักบวชก็ได้รับความคุ้มครองจากคนทั่วๆไปยอมรับพวอแม่ก็กราบไหว้พระเจ้าเป็นนิสก็กราบไหว้ต้นไว้น่าจะเป็นเช่นนั่นเราต้องยอมรับเขาลบต้นไม้ หัวใจของเราเนี่ถือว่าพึ่งพาอาศัยต้นไม้นี่ได้เป็นแหล่งอาหารได้สร้างบ้านสร้างเรือนได้ออกซิเจนได้น้ำผลได้ชีวิตมาจากคืชแต่นดินก็จากต้นไม้ <c oughs> นีเทั้งนั้น แล้วก็ปลูกแดล้านต้นปีนี้แจกต้นก็คนทั่วประเทศไปปลูกให้ได้ทุกครอบครัวทุกคนทั้งหมด8ดล้านต้นสาหรับปีนี้ปีนี้เป็นป่าไม้ถาวรเฉลิมพระเกียรติ เม่เช่ป่าธรรมดาต้นยูต้น ย, องอยางตุเชียนทองเพราะยองบํารุงบัคฆโมงเก็ดีแต่ไม่อันดับหนึ่งไม่ศักดจึงเป็นบโลลกของแผ่นนินของคนไทยจึงทำพิธีบวชเพื่อการคุ้มครองให้คนมาเป็นเจ้าของ <c oughs> น่าจะพูดใจนอกจากเราคนลูกหลานเป็นคนเป็นพูดเป็นคนปัญญาสามีขู้ย่าตายายตอนนี้อด้นไม่ว่างให้มีหัวใจว่ามีลูกมีหลานอยู่นี่เป็นของที่เราเลือกได้เหมือนกันเป็นบุญเหมือนกัน ความดีที่เราเกระจายออกไปไม่เช้าเพเพาะตอนให้คนเท่านั้น ร, นร่มของคนทุ่งของผู้ย่าตายายพ่อแม่พี่นอ้องลูกห ล, ลานต้องกุ้งของแม้กระทั่งแผ่นดินทนไม้มันเป็นหัวใจกว้างขวางเพื่อใช้เกิดกุธรรมในหัวใจของเราจากรับแคบ เวลาหัวใจมันกว้างผมมาคับแค่เปิดกว้างประย่อมง่ายต่อการมีคุณทรรเกิดขึ้นได้ชีวิตเราต้องใช่ซ้ะให้เหมือนถูกต้องไม่ีรูปมีน้ำมีกายมีใจนี่เอามาใช้ซ้ะอย่าให้ผิดพลาดจะทำความดีก็ทำเองจ้ะจะรับความโชคอละเองซ้ะอย่าไปใช้อื่น มีสติมีโอกาสยังเป็นเป็นอยู่นี่ไม่ใช่เป็นศาสร์เป็นศพต่อมาดรับความชั่วได้สามารถทำความดีได้ความชั่วก็มีให้ละทุกโอกาสความดีก็มีให้ทำทุกโอกาสคู่แี้งกันไปถ้ามันเพียงพอที่มันเกิดขึ้นตัวกายจิตใจเรานี่ ถ้าเราไม่ตั้งว้มันก็มีแต่ความเชื่อมาเกิดมาตั้งที่นี่ที่กาที่ใจเรานี้เรื่อเวลาที่เราปฏิบัติฝึกสติจะปรากฏว่ามันมีแต่ความไม่ดีทั้งนั้นเกิดจากกาจากใจโดยเพราะความหลงห่ากลัวความรู้ด้วยซ่อมปา เวลาเราไม่สติจะคู่แข่งคือทวหนหลงถ้าหลงก่ไปได้หลายอย่างพวงแหงไปไกลไม่มีคุณภาพเลยกายของเราใจของเราเราจึงมาเข้าฝึกกรรมฐานนี่เป็นทางผ่านช่องแคบของอาการต่างๆที่มาเกิดขึ้นมา เราจะได้ประสบการณ์ได้หัวเดือนเยอะแยะไปเลยถ้าไม่ฝึกกรรมฐานมีสติเป็นที่ตั้งแล้วกลมคืนลบไปเลยฟรีไปเลยความหลงออกฟรีไปเลยความทุกข์ความชั่วกอบฟรีไปเล ย, มม ไ, เลยไม่ใช่กาใช่ใจกบฟรีฟีเลยกว่าจะรูะ้เจื่อก็อาจจะหมดโอ ก, กาเสแล้ว อหนักไปทังนั่นแล้ว <c oughs> นี่ว่าบาปหนักกว่าทำํำหนักกว่ามืดเกิดมามืดอยู่ในโลกมืดตายก็ไปในสูคความมืดวันนี้เราว่าฝึกหัดให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับปากับใจตามความเทศความจริง มีสติเป็นเกณฑ์ี่วัดตั้งเอาไว้มีสติภายนกายเป็นประจอมเนี่ยมันทําได้เดิมไยากเป็นเครื่องกรรมฐานเป็นเครื่องทุ่นแรงของยากกเป็นของง่ายของหนักเป็นของเบาได้วิชากรรมฐานเป็นวิชาศักดิ์สิทธิ์เป็นวิชาฝึกหัดกายใจไม่ใช่เรียนลู้ มาฝึกเอาจนความหลงเลยเปลี่ยนเป็นความรู้อย่างนี้เรามาฝึกอย่างนี้ถ้าฝึกตั้งแต่อย่างนี้แล้วแล้วก็ความถูกต้องชอบธรรมก็ไปกลายไปเองเพราะไม่มีที่ลี้ที่ลบถ้ามีสติเป็นชีวิตที่เปิดเผย ข, ของที่กั้งหงายขึ้นของที่ปิดก็เปิดออก <c oughs> การเป็นกรรมฐานไปนอย่างนี้ทุกคนต้อทอมเอ า, าก็ไม่ทอมก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาจจะเป็นนิสัยจิตอย่างอื่นไปเป็นอาตาตัว ต, วตวนไปเอาเอาการที่เกิดกับการกระจเป็นตัวเป็นต้นไป ถ้จะเขาให้เป็นอย่างไรความหลงก็เป็นความหลงไปความโกรธก็เป็นความโกรธไปความทุกข์ก็เป็นความทุกข์ไยความพอใจก็เป็นความพอใจไปความไม่พอใจก็เป็นนความไม่พอใจไปมันเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เปลืองมัก็เถือนไปเลยเถื่อนกายมาดีๆใจมาดีเปิดเพื่อนหมด ในบริสุทธ์เลยเป็นคนดุยฉินหมกหมอยู่ความกับความชั่วความเพียิยนแล้วเรามาเพลิงหัดจะได้กระตือเรือโน่นได้เปลี่ยนความหลงไปความรู้นี่เริ่มต้นเริ่มต้นที่สุดวันมาก่อน ล้ ว, วความลูก้กับความหลงน่ความหลงจะเป็นคู่แข่งกับความลู้ทันทีเลยทีเดียวด้วยจับถูกแล้วจับถูกฉันแล้วมันดิน้นเหงืนเปลา่าหวานลไปในน้ามันถูกความย่อมดินเมื่อมันดิ้นก็นลุยจับ ก, ก็เลยจับได้ได้ปะอันนั้นหมายถึงสมมติเรียบเทียบ ควมหลงว่จะดิ้นก่อนเรื่องอื่นว่าจะมีสติกายในกายาความหลงเกิดึ้นดีกายเยอะๆเช่นอาการต่างๆเกิดกับกายควมร้ลลอนความหนาวความปวดความมื่อยความหิวความอะไรต่างๆเกิดกับกาย ว่งกกั บ, กบ จ, จิตใจง่วงเหงาหอหนอนก็ ค, คิดพุ้งช้อนักเลยสงสยัยอะไรเกิดขึ้นจแยะๆเลยมาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นโลเป็นกอโลของโอกุศนโลโกของเอาชุากออกศนแล้วก็แรงมาหมดเชื่อมันเลยจะมีเจตีลูจเจตัวเอาหัวหน้าบัน เปลี่ยนหลงเป็นลูกจะอย่าไปอดไปทนอย่าไปหาเหตุนหน้าผลรีบสชกหน่อยตรงนี้ให้รีบเักงหน่อยรีบเปลี่ยนมาที่ไรก็เปลี่ยนเป็นลูกมันจะไม่ไปกลายนมอ่อนกำลังเหมือนข้าศึกที่เป็นหัวหน้าข้าศึกเมื่อปราบหัวหน้าข้าศึกได้ กันหลังตัวก็ออนละไม่กล้าก็ย่องถอยกลับโดยไม่ต้องไปลบต้องหมดก็ได้มาไม่หวนละเป็นแม่ของหลวงเป็นแม่ของเก่ากุศลรับลูกจากตัวเป็นแม่ของกุศลทำย่อมชนะธรรมอยู่เสมอความเท็จความจริง เป็นอย่างไรความหลงไม่จริงความไม่หลงมันจริงย่อมบอกผู้ที่สัมผัสผู้ที่ศึกษาได้คำตอบแล้วทุกคนไม่ต้องถามทางการจุมออจ่มมอหก็ใจไจุ่มมอใจไปจุม่มโอได้จุ่มมอได้ได้สัมผัสมันลืมไม่ได้ให้เหมือนความจำ รู้จอมมันลืมได้รูปแบบจุม่มโอสมผัสเอเนี่ยภาษาศาสน า, าคิดว่าญาปักยาปั ก, ปกจุม่มโออยากรู้คนเช่นใดต้องไปอยู่คนเช่นนั้นจุ่มดูก่อนไปจุ่มโอไปนอนอยู่ไปดอนกินอยู่ร่วมกับเขาพออยู่กันอย่างไรจะได้รู้ เรียว่ายาปัปฏิบัติธรรมคือการสัมผัสการจุ่มเบาอกกายไปจุมปจ่มเบาอใจระจุมมเบจุ่มเมื่อความรู้สึกตัวในการในใจแล้วันมันกไม่ใช่การใจธรรมดามันถูกพัฒนามรู้สึตัวไปอยู่ในกาในใจ มันกลายเป็นเรื่องพัฒนาไปไกลไม่เหมือนอันอื่นอันอื่นจะเป็นเช่นนั้นแต่ว่ากระย่องเปลี่ยนไปได้เช่นปุ๋ยใส่ต้นไม้ปลูกข้าวปลูกข้าวนาบบ้ำบองไรหนึ่งต้องใส่ปุ๋ยกระสอบดึงถ้าไม่หวานปุ๋ย ข้าวนาปังก็ไม่ออกวงไม่งอกไม่งามแต่นั่นมันก็เป็นไปได้แบบนั้นแ้วไปปลกเฉยๆข้าวนาปังไ ม, ไม่เหมือนไม่เหมือนข้าวนาปีต้องใส่ปุ๋ยต้องลงทุนก็ยังทำได้ต้องมีปัจจัยไม่เงินไม่ทองอันนี้ แติไปในกายไม่มีอะไรเลยมันจะเกิดเมื่อเกิดผลขึ้นมาไม่ต้องไปคิดถาว่าแต่มีการกระทําเกิดขึ้นสัตว์โลกต้องไปเปิดตามกรรมกรรมไปิึงําดแรกสัตว์ไปกรรมมาฐานนี้ว่าใช่กรรมที่มาจากชาติตนก่อนจะแก้กรรมต้องไปมุดท้องแม่เข้าไปมันทำไม่ได้ ปัจจุบันเนี่ยทำเนี่ยปัจจุปัจจันจะโยทำมังตัดะทะตั ถ, ะถะวิปัจตินี่ทำให้เหมือนแจ่มแจ้งสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า น, านี่คือกรรมเริ่มจากที่นี่เป็นปัจจิตังเป็นปัจจุบันของจริงคือปัจจุบันทำดีก็ปัจจุบันทำปัจจุบันได้แล้วความชั่วกับปัจจุบันเดี๋ยวนี้ โดยอาศัยวิ ช, ช, ชออากรรมฐานเุ็นที่ตั้งเอาไว้สูวฉังเข้ารู้สึกจะฉันหลกรู้สึกมันยอมเห็นอะไรเกิดขึ้นไม่ฟรีจะสู้ได้ไม่ได้ก็ลองดูทดลองนหลองของตนเองดูมีแค่ไหนเป็นคนชื่อแพ้เอาความยากเป็นความยาก อยากจะทําให้ง่ายยากไหมลําบากไว้นานเท่าไหร่ไม่ต่อถามอยู่เช่นนั้นก็ถ า, ถามเชนนั้นล่ะไม่อยากทําล่ะหมายถึงยอมแล้วเอาความยากตัดถิ่นเพื่อไม่เอาเอาความง่ายตัดถิ่นเพื่อจะทำคนที่เกียจค้านมักจะเป็นอย่างนั้นต่อรอง ก็มาถอนมาไม่ใช่เครื่องต่อรองปัจจวบไปเลยเดิมจะพยามสร้างชีวิตรองไม่ให้ต่อรองเรื่องจะนอนอย่างไรจะกินอย่างไรจะใช้ชีวิตอย่างไรทำไม่ไหนเป็นไปให้ใช่แล้วและเบียดฝังคมชุมชนพอไปแล้ว เรื่อนักวดว่าต้องคิดเรื่องหงหาอาหารแต่ว่าต้องแโสตายก็ว่าได้แม่เลือดเงอกระดูกับกูฟังไปก็ดามมาจังไม่หยุดความเพียงเครื่องเผาเฉลดดีสมัชฌ์มีสติมบกบันบกบันงเปลี่ยนกว หลงไปควบลวงเหงื่อไม่ออกไปวางแรงงานทำจิตวิญญาณจะสู้ไหวจิตวิญญาณไหมหรือว่าจะหอบพิษออกไปไหนโดยพอเวิ้งหน้าในกรรมฐาน47วันมันจะหอบพิษออกไปไหนอะไรมัเกิดขึ้นสู้ไหมลองดูอย่าเป็นนับ47วันนับทุกวินาทีนับ เราเดินทุกก้าวรู้ทุกก้าวไม่มีวั น, ไ ม, มวนไม่มีเวลาที่ไปข้างหน้าไปหลังเป็นปัจจุบันกรรมฐานเปลี่ยงนี่ทํามันย่อลงมาให้เป็นปัจจุบันทั้งหมดถ้าวิ่งไปดาคตวิ่งขึ้นเลือหลังมันยาวนานเป็นกลับเปน็นกันไปเลยไม่รู้จะจบจากสิ้นไปว่ตะสงสารตัดเป็นตัดกรรมคือปัจจุบันนี้รู้จักตัวนี่รู้จักตัวเนี่ย วันชัดเกนหรือเกินกัร์บอนถานเนี่ยไม่ตเลือกอะไรที่ไหนไมอ้างอะไรไมาได้มีแล้วความหลงมาเกิดขึ้นจะเปลี่ยนไหมจะเอาไหมจะสู้ไหมอยู่ที่เราเนี่ยวิธีที่จะเปลี่ยนความหลงประความรู้อาศัยกรรมฐานคู่แขนเขา้าเปียนแขนโดรุ่สักตัวบุกความรู้สักตัววิญญาณแห่งธาตุด้วยตตินขึ้นมา ปุกตัวเองสอนตัวเองปลุกตัวเองให้ตื่นแล้วก็จะดงออกเหมือนไก่ที่มันจะขันมันต้องปลุกตัวเองเสก่อนตีปเปีกให้สดชื่นแล้วก็ขันขึ้นมาเป็นเสียงไปเลานได้บอกเวลาได้กรมาถามตปวิชีที่ปลกตัวเองปลุก กวามรู้จึกตัวขึ้นมาให้โง่กำไวๆมาไว้มาไว้ไอ้ข้าว่าอย่างนั้นนะเคลื่อนไหวสมัญญาบบพระารู้แขนเข้าอย่าแขนออกนี่วิชากรรมฐานมนช่วยได้กราเด็กนิ่งก็ได้เท่ากันแจกเดินไม่ไหวก็ไม่เป็นไร คนป่วยก็เดินไม่ได้คนพิการเดินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเคลื่อนได้แต่คอหายใจอยู่ก็ ท, ทำได้ว่าจะหายใจเข้าหายใจออกอยู่ก็ทาได้วันจะมันจะหนักให้ใช้ลมหายใจเคลื่อนไหวเนี่ยความคิดก็เป็นการใช้ได้วันจะมัจะชัดเจนกว่าคนที่มีอื่นๆจุขภาพดี จนคนตาหวอดก็ย่อมมีย่อมมีสัญญาแน่วแน่กว่าคนตาดีสัญญาเฉ่นจับธนบัตรธนบัตรเราเห็นคนตาหวอดนำเงินดอนล่าดอนล่าครั้งนี้ใบแบบเดียวกันหมดเท่ากันหมดเหรียญบาทหาบาทชิบาทพันบาทห้ารอยบาทร้อยบา ท, บาทเหมือนกันหมดเลย แล้คนตาบอดก็ไม่ช่ายจับนับเงินดูแตงคนตาบอดนับันอยู่พี่เขาคู่ไปไปดูตึกเชียไปขึ้นตึกเชียนั่งรถผ่านไปแต่ไปตึกเชียแเห็นคนตาวอดยืนตือกีตาอยู่เขาเปิดกระเป๋าไว้ อเดตไปดีเดตไปก็สังเกต ด, ดูพาคนขับรถดูชี้มันทำไมจึงเป็นอย่างนี้หน้าดายิ้มแยมแจ่มใสทั้งดีจิตต์ตั้งคาเพลงมันเหมือนกับมีความสุขคนขับรถคนเจ้าเรือนพายาบาลชี้อบอกคนเจ้าเรือนไม่คนเชียงใหม่ไปทำงานอยู่นั่นเป็นหมอพายาบาลที่อยู่ชี้กโก้ เออุนเที่ยวเลือนจอดนี่สักหน่อยดูคนคนนี้ดูเาจอดดูอย่างลึกซึ้งเวลาเขาเืินเด็จิตตาไปร่องเพลงไปเขาก็นั่งโดยเอามือไปพวกกับเปเห็นดันล่าวางเขาก็นับนับหลอกก็เลือกใบละบาทเหรียญละบาทห้าบาทไว้คนละต่างนี่มันมีสัญญา มันแน่วหน่กว่าคนตาดีหัดดนตรีได้คนดีกว่าคนตาดีเพราะฉะนั้นคนที่พิการเป็นพิการอะไรเนะีอาจจกสัญญาสติอาจจะได้ดีกว่าคนที่มีสัญญาอื่นมันมีอิเลิบุตรเยอะแยะอิเุตร ต่องเกิดจากความคิดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนไปตามอริบทตแต่คนพิการไม่มีอริบุตรใดเลยต้องอยู่ในอริบุเดียวเลยมันปรับมันกบเกลือนไม่ได้ต้องรู้ทันทีนี่คนพิการไปอย่างนี้สังเกตดูนะบอกปั๊บก็จบได้ปั๊บทันที วันนันราต้องการช่วยกระใจตาหิ้วไปทางหนึ่งหูหิ้วไปทางหนึ่งไหลหิ้วไปท้งหนึ่งใจหิห้วไปท้งหนึ่ ง, ง, ง, ง, งแต่คนพิการไม่มีอะไรหิ้วไปเลยก ร, กระดูก็ดีก็ไม่ได้นี่แตหายใจเคลื่อนไดแต่คอแลก็ย่อชัดเจนแน่วแน่งอกงามขึ้นไหวกว่าคนปกติทำอะไรยถ้าตั้งจ้าง พกเราลิงอริบทบางบางเวทนาได้ไม่เห็นเวทนาในเวทนาเห็นแต่ว่ามาเป็นทุกข์เปลี่ยนน่อยไม่เห็นเวทนาในเวทนาตามความเป็นจริงนคนตวหัวคนิการไม่รู้จะเปลี่ยนไปทงางไหนก็ต้องนอนที่นั่นสู้ไม่มีอริบทเปลี่ยน เวทนาต่างๆได้กลายเป็นความรู้ไปเลยพวกเราก็มีเยอะๆไว้ต่างความคิดไปตามอาการต่างๆลูกจะเดินไปตามอาการต่างๆอิริยาบถต่างๆค้าให้หลงได้ต้องมีกรรมฐานตั้งไว้ก่อนขานเขย่อฉ น, นอกเช็กตัวไปก่อน ว่าใช่ไปนั่งหลับวันต่วอวัครับว่าหลับว่าตื่นมาไม่รู้ไม่ไม่มีอะไรรลยไม่รู้เวลาเลยเรื่องวิชกรรมฐานในวิชาคู่มือฝึกกายฝึกใจที่ดีที่สุดก็จะได้สัมผัสได้บทเรียนได้ประสบการณ์ ย่งดีที่สุดได้ความรู้จากความหลงตรงนี้แน่นอนได้ความรู้จากความทุกข์ได้ความรู้จกากปัญหาได้ปัญญาจากปัญหามันได้บทเรียนแล้วิชากรรมฐานนี่ไม่มีไม่มีคําถามนี่จะคําตอบตัวเองต้องตอบเอง โอกก็นี่ให้เป็นจับได้แห่งการตุดตลูกของพระเจ้าแล้วก็ต้อนลับเป็นบ้างทำในใจบ้างกับบัมบมาอุบัติขึ้นแล้วพระเจ้าอุบัติขึ้นในแท้ทำไมละต้องนอนหลับเพื่อเฉออยู่ต้อนรับด้วยการปฏิบัติธรรมทำตามพระที่เจ้า ทำยังไงพระเจ้าจึงอุบัติขึ้นมาในวันเพ็ญเดือนหกนี่พันหกร้อยกว่าปีมาแล้วสองพันหกร้อยกว่าปีมาแล้วแล้วก็ทำตามอากลูกใครก็ต้องต้องทำเหมือนคนนั้นแต่อยากลูกผนแก่ก็ทำตามผนแก่ได้ยาก ก็ความแกกับความหนุม่มจะใช่การกระทำมันก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าการกจิตใจงานงานต่างๆเหมือนกันจากลูกความเป็นพ่อตอนมาที่เป็นพ่อเป็นแม่ทาหาที่ความเป็นพ่อเป็นแม่ให้ดีทำยังไงหลายคนมีลูกหลายคน วันนี้อยากรู้เรื่องพระุทธเจ้าเนี่ยต้องทำเหมือนพระพุทธเจ้าทำมั่งคู่แขนเข้าเหยียดแนออกมีจิตสมชัญญาถอนความพอใจและความมาพอใจในโลกเสียได้มันมีให้ถอนจริงๆอรเทียมมันเกิดขึ้นกับกวากับใจเจ้าเย้าถอนออกมา วันจุ ก, ก็ถอนออมาให้รู้จักตัววันทุ ก, ก็ถอนออมาให้รู้จักตัววันเกิดเกลียดปัญหาถอนกันมาให้รู้จักตัวถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกออกมาโลกมันมีรสชาติมากมายหลายอย่างมันทับถมปใยใจของคนที่ปุถุชนเป็นๆไม่ค่อยได้ฝึกหัดเลย ฝึกใหม่ๆก็ไม่จะเห็นริบหรีในความมืดนั่นแหลออกไปแต่ทางความริบหรีนั้นอย่าปฏิเสธผู้ปึกกมัมฐานเจริญสติปัฏฐานเช่นี้จะเห็นกะระแสพระนิพพานคู่กันไปเช่นมันเกิดหลงก็เห็นความรู้เป็นกะระแสพระนิพพานมาทางกะระแสพระนิพพานนี้มา ความรู้จักตัวนี้มาทางนี้แอคทีฟทางออกมาทางนี้แม่มันจะดิฟลีเส่นได้ดีซีเวลาไปอยู่ในลงแลมอยู่ในบ้านอยู่ในที่ไหนเทศที่พัฒนาแล้วก็มีไฟดีซี มันจะมีแสงในกาลางคืนริปรี่ทั้งออกทงกังปัะตูหน้าต่างวันใดนั่นแหละทางริปบี่นั่นแหล ะ, ท า, ลหละทางให้สนใจไปทางนั่นแหละถ้าไฟฟ้ามันสว่างันดับไม่อแต่ไฟ DC ไฟ AC ซมันดับมันก็มีแต่ไฟริบบีนั่นแหะเป็นทางก็จะได้ทางไปปลอดภยัย ลาฝึกสติลู่ฉันเข้าแกะฉันออกมันจะหลงไปทางโน้นทางนี้กลับมาลู่จากตัวนี่ลิบลีโทนี้แหละมันจะเกิดของแสงสว่างขึ้นมาไวปข้างหน้าจะสว่างขึ้นไวปสมักรสมผลได้จากลิบลีน้อยๆเนี่ยเอื้องต้นจากสติท่ามกลางคือสติที่สุดก็คือสติส ม, มาสมาธิ ที่เราสาธยายพระสูตรนี่มันไปถึงโน้นไปเป็นสมาสมาสัมมาทิฏฐิริ่มานอันดับสุดท้ายถอนละสุขเสฉอได้ละทุกข์เฉอได้มีสติเหชืานสุดท้ายมีสติเรียกว่าอันนี้ฉงของสติไปถึงเป็นพุทธะการตรสรู้ของพระเจ้า ผู้มีสิตเป็นหน้าโลบเป็นพระราหันมีหน้าโลบตาโลบนี่คือปรหราหันรู้โลบโอบมันผึกแล้วก็เลยรอบโลบแต่ไม่ผึกก็ไม่รู้โลบรู้เฉพาะเรื่องวั่นหลงจึงรู้หวั่นฉุจึงรู้ก็มีจิตดีเดียมันรู้โลบ ย่อมมีอนกสงย่อมใชม่ชำนาญเป็นศาสตร์เป็นศิลป์ของผู้ฝึกเองเรื่องแรกก็อาจจะยากต่อไปก็ง่ายยากที่จะลู่ง่ายที่จะหลงทำไม่ใหม่ทําไปทําบาง่ายที่จะลู่ควงหลงไม่ง่ายเปลี่ยนความหลงเป็นความลู่ง่ายๆเปลี่ยนความขัดเป็นความลู่ง่ายๆเปลี่ยนความทุกข์เป็นความลู่ง่ายๆ หัดใหม่ๆก็ยากจะแผ่เมตตาให้คนที่กู้เว้นกู่กรรมศัตรูก็แผรไดยากจะแผ่เมตตาให้แต่คนที่รักคนที่เกลียดชังไม่ค่อยเส่แผ่เมตตาเพราะมันยากบนดุลกระเสถก็ฝึกปไปฝึกไ ป, ป, กไปจะเห็นคนที่ไม่ค่อยดีนั่นน่ะเป็นคนที่น่าจะช่วยเหลือก่อนใครไม่ใช่จะพาะคนดีเท่านั้น มันจะง่ายราบลื่นดีจิตวิญญาณจะลาบลื่นดีชีวิตปูปผมไม่มีอะไรขวางกัง้นไปเลือกที่รักไม่ที่ชังแต่จะนาบภาษีอายุไต่แผ่นดินราบรหน้ากองชายว่าอย่างนั้นคือจิตวิญญาณของเรานี่มันลาบไม่มีคลืน ก็เพิกมีจิตตีนะมันจะเป็นต้องให้ลาบได้อะไรเกิดขึ้นมาก็รู้รู้เนี่ยอันตราสุขความทุกข์มันเป็นคืนความนักความชังมันตัดคืนความบอใจไม่พอใจมั น, น, นเป็นคืนก็เพึกไปมันจะไม่มีเช่นเหล่านี้มีแต่ความรู้ความรู้ความรู้ทุกตัวรู้ทุกตัวเป็นหน้าโลก ในความรู้จักตัวเนี่ยมันก็เป็นลานละควงชั่วทําความดีจิตบริชุทธ์ไปเองอยู่ในที่เดียวเทดีแต่หลอกลูเนี่ยลู่ชื่อซื้อเนี่ยมันมีหลายอย่างที่ควรจะถามเกิดขึ้นเป็นวงจรไปหมดเลยถวารู้ชื่อซื้อเนี่แล้วก็เพิ่มแนีน่ยใชีวิตของเราเนี่ยตอนนี่ก็ หมดแล้วยูกฉันเข้าได้จะฉันออกได้อยู่ให้พากันฝึกตนสอนตนเตือนตนเจ้ไขตนเองให้โอกาสกันในเรื่องนี้ให้มากากว่าชอสนุนเป็นเพื่อนแม่จะช่วยม่ลด้ก็เป็นเพื่อนในความคิด แนะน้อมพิ่มสอนกันไปจะทําให้เปลี่ยนหลงเป็นรู้นั่นต้องช่วยตัวเองจุดที่ท่านหลงคนอื่นคำว่าหลงให้คิดอย่างนั้นจุตที่ท่านเป็นทุกค น, นคหนึ่งคไม่ทุกตอนทุกข์ของความไม่ทุกข์ของคนอื่นมันไม่ใช่สานโกรธอยู่นันไม่เป็นเรื่องของของท่านได้เปลี่ยนเองค น, นคำว่าโกรธเรื่องอย่างนั้นแล้ว ตอนี่ก็มองกไกลๆเอาพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเอาเป็นพระหันเป็นตัวอย่างมีมาตลอดมันพุ่หลุษบุรพาจารย์ทุกอาจารย์จะ่งมาถึงยุคนี้สมัยนี้พวกเราก็ได้หลักนี้ตามหลวงพ่อเทียนสอนก็มีจริงๆหลวงพ่อเทียนก็สอนจริงๆเรื่องนี้ได้เห็นตัวเห็นต้น มีพระที่เจ้ามาจนบ่านนี้แล้วไม่ขาดสายสะพานเช่นนี้สะพานไปถึงมรรคผลไม่เคยขาดจยางเพิ่นท่องเที่ยวเราอยู่เป็นสะพานข้ามฝั่งได้อยู่ฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นได้อยู่จงมาถึงที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้ำไปได้อยู่ นี่ปฏิบัติกันซ้ะทําซะชีวิตของเรื่นี้เดี๋ยวมันจะไม่มีโอกาสจะแล้วสมควนใจเวลาการประกัน